เป็นใจที่ไม่มีขอบเขตเป็นใจที่ไม่มีพ่อบ้านแม่บ้านใจที่มีพ่อบ้านแม่บ้านดูแลรักษาก็คือใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจถ้าอยู่ห่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็เดือดร้อนมาก ถ้าน้อมคิดน้นอมใจเป็นที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยาะรถอยู่ทุกเมือ่อทนลมรลายคายละโมกใส่อยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณจิตใจก็มีสถานีถึงข่าวร้อนก็มีเวลาจะเย็นไม่ถึงกับนับชีพไม่ลุกที่นับชีพไม่ลุกอยู่ก็เพราะใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ ปล่อยให้โจรให้มามาอยู่ใใจิตใจปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมาเป็นเจ้าหอว ใ, ใจไม่ยอมให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาขี่รถเที่ยวรถใสใ่ใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใจที่มีสาระนะเป็นใจที่มีที่พึ่งอันกเกษม คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณคุณสัพพะไตโรกธาตุมีประมาณสัพพะไตจั ก, กรวาลก็มีประมาณคุณของพระพุทธคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณถึงจะย่อนลงมาเป็นพระพิสุทธิ์ที่คุณหรือพระปัญญาคุณหรือพระมหากรุณาคุณก็ตามาก็เป็นคุณอันใหญ่ อ, อันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ ถึงจะขยายออกก็ไม่มีสิ่งที่ขยายเพราะมันคัดโลกแล้วเพราะมันเต็มจั ก, กรวาลแล้วจะย่นลงมาก็ไม่มีที่จะย่นเพราะใหญ่โตโหดฐานไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกวาวันงคืนทำแต่ละวัตรบาดของพุทธศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทาท่านไหนๆกว่าตามทาแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีก็มีทรงไว้ซึ่งโลกุตระก็มีทรงซึ่งไม่โลกีก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทรงไม่ซึ่งโลกุตระก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ทางโลกีพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริม ไม่จัดเข้าในพรมอาจารย์เบื้องต้นขององค์ท่านท่านจะจัดเข้าในพรมอาจารย์เบื้องต้นขององค์ท่านก็คือผู้ที่ถึงใจสนาคมยิ่งไม่หวั่นไหวต่อใจสนาคมและไม่ถือศาสดาอื่นไม่ถือทัศน์อื่นๆมาปนเปเลยไม่หนักใจว่าจะไปถือศาสดาอื่นและก็ไม่สงสัยในใจด้วยและก็ไม่หนักใจด้วย ผู้ที่สร้างาวาลมียังต่ำต้อยอยู่ก็จําเป็นไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนจนถึงทุติย ต, ติก็ไม่ว่าแต่ทุติย ต, ติลแล้วละลึกได้เมื่อได้ก็ดีอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณที่แรกก็ว่าณนะโม นโมแปลว่นรอบๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนคมถึงสามครั้งเป็นพิธีแต่ไม่ถึงสามครั้งใช่แล้วถึงอยู่ทุกเวลาและลึกได้เมื่อได้พอดีผูกขาดจอขาดเนี่ยจึงพากันสมมุติรักษาศีลเป็นลำดับไปศีลเรารู้แล้วข้อนั้นเว้นอันนั้นข้อ น, อนี้เว้นอันนี้ แล้วก็เว้นพุทธทีเดียวเลยเรียกวิรักติศีลเจตนาวิรัติตัดศีลลงที่ดวงใจตั้งมั่นลงที่ดวงใจพุทธธรรมสงส่งอยู่ที่ดวงใจไม่ต้องไปสงไปสงมาที่อื่นความดีทั้งหลายทำดีแล้วก็สงอยู่ที่ดวงใจไม่ไป เข้าใจว่าไปอยู่ในที่อื่นความชั่วถ้าทาแล้วก็แทรกอยู่ที่ใจทรงอยู่ที่ใจพูดถึงเมื่อพูดพระธรรมพระสงฆ์กับผู้สร้างกุศลผลบุญอยู่ทุกเมื่อก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะอารมณ์ของเขาหนักไปในทางพุทธศาสนาไม่นึกอันหนึ่งก็นึกอันหนึ่งซึ่งเป็นทานวัตศีลวัตภาวนาวัต เรียวกว่าอารมณ์อันเป็นบุญมัคคารมนาธรรมามัคคารุมมัคคาเหตุกาธรรมาเป็นเหตุไปในทางบุญมัคขาธิปติโนธรรมาคือพัฒนาในอารมณ์อั น, นั้นในอารมณ์ที่เป็นกุศลอุปป น, นาธรรมมาเกิดขึ้นที่ดวงใจ อ้ตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบปนาธรรมาอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็นตามภูกขาดจองขาดในพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ทุกเมื่ออ้ตีตาลุมนาคตารุมปัจจุปนาลุมคราวใด โรควุนวายคัดข้องก็เพราะโรคแข่งดีต่อพระพุทธศาสนาไม่เอ่ยถึงพระพุทธศาสนาเลยที่โอไม่ยอมตัวถึงพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ยอมตัวถึงพระพุทธศาสนาแล้วอารมณ์ก็ไปทางบาปเป็นอาหารไปทางบาป ผู้ที่ไม่ถือพระพุทธศาสนาก็กินอาหารทางบาปอยู่ไม่มีกาวันกลางคืนเพราะอารมณ์หนักไปในทางบาปมักคารมมักคารมนาธรรมานมักขาเหตุุกาธรรมานมักขาทิปติโนธรรมานมักก็คือเหตุ ผลของมักก็คือผลของเหตุเหตุสร้างขึ้นที่ใจผลของเหตุก็มาหาที่ใจไม่ได้ไปที่อื่นจะสร้างน้อยสร้างมากไม่เป็นปนัญหาเมื่อสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์กอได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุจะปฏิเสธไปไหนมันก็ไม่ไป เมื่อพุทธธรรมสงทรงอยู่ที่ดวงใจรวมกินกันอยู่แล้วแปดหมืนสี่พระธรรมขันธ์ก็เป็นแปดหมื่นสี่พันพุทธรรมขันธ์เกลียวรวมลงแห่งเดียวที่ดวงใจศินสิขาสิกขาคือศินยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ดวงใจจิตตาสิกขาสิขาคือสิจิตยิ่งก็ยิ่งอยู่ที่ดวงใจ ปัญญาสียขาสีขาคือปัญญายิ่งก็รอบคอบอยู่ที่ดวงใจตกลงอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ต้องเลียวไปทางอื่นเพราะทางอื่นเป็นแผนที่เป็นตัวหนังสือตัวหนังสือแท้ก็อยู่ที่ดวงใจไม่ได้อยู่ที่อื่นพระไตรปิฎกกวมลงที่ที่ดวงใจนิทานก็คือนิทานของใจ ที่ทำดีทำชั่วนิทานในปัจจุบันนิทานในอดีตนิทานในอนาคตอดีตคืออะไรคือนิทานของใจที่ล่วงมาแล้วอนาคตคืออะไรคือนิทานของใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือนิทานของใจที่กําลังเป็นอยู่นั่งนั่นัน่ง ทุกสิ่งทุกอย่างมีในปัจจุบันหมดถ้าเราทำให้มีถ้าเราทำไม่ให้มีมันก็ไม่มีมันขึ้นอยู่กับเราเราคือใครก็คือใจตามสมมุตินู้ตามเป็นจริงตอนไหนนู้ตามใจตามเป็นจริงตอนไหนก็รู้ตามทำเป็นจริงตอนนั้น สงสัยใจตอนไหนก็สงสัยธรรมวินัยตอนนั้นไม่สงสัยใจตอนไหนก็ไม่สงสัยธรรมอวินัยตอนนั้นถ้าพูดมาถึงใจแล้วปัญหาก็ไม่มากเพราะมันไม่กระจุยกระจายไปที่อื่น นโมก็นอบน้อมลงที่ใจธรรมโมก็สงไม่ที่ใจสังโฆก็ปฏิบัติใจใจไม่มีประมาณโลคโกรธหลงก็ไม่มีประมาณ การปฏิบัติเพื่อพ้นโรคโกรธหลงก็ไม่มีประมาณอยู่ที่ดวงกจผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันใจไม่มีตัวตนแต่ปัญญาปรากฏรู้อยู่ กายมีตัวตนเพราะมีท่าทีดินน้ำไฟมุมมองเห็นด้วยตาใจไม่มองเห็นด้วยตาแต่สามารถเห็นด้วยสติปัญญาถ้าใจไม่ทำผิดดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายจะทำผิดที่ไหน ถ้าใจไม่ทำถูกตาหูจมูกเลิ่อนกายใจก็ทำไม่ถูกเพราะมันไม่ยืนยันว่ามันจะทำอะไรผู้ที่ยืนยันอยู่ก็คือใจสงสัยใจตอนไหนก็สงสัยทำตอนนั้นไม่สงใจตอนใดก็ไม่สงสัยทำตอนนั้น ปฏิบัติใจตอนใดก็ปฏิบัติใจทาตอนนั่งสิ่งไหนที่มาบวกกับราคะให้จัดจัดขึ้นสิ่งไหนที่มาบวกกับโทสะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่มาบวกกับโมหะให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยสิ่งนั้นไม่เป็นมงคลด้วย ไม่เป็นเอตมังขารมุตตมังเสถนาะภารานั่งาคพบผ่านชาติชาเป็นมิตรควรนกคบบันทิตเมื่อใจส่งเสริมกามเมวติตกพยาบาทวติตกมิเิงสาวติตตกอยู่ขณะนั้นไม่ควรส่งเสริมเรียกว่าไม่พบคนผ่านขณะใจ ใดที่บันเทากามเวตกพยาบาทววตุกวิหิงสา ว, วตุตกคณะนั้นเรียกว่าครบบันทิดขณะใจใดที่สอดส่องธรรมของพระสมมาพพุทธเจ้าคณะใจนั้นเรียกว่าฟังธรรมธรรมัตธรรมัดสวนรใหม่ ขณะใจใดที่เพลินในวัตาักรสงสารขณะใจนั้นก็ปิดประตูพรนิพพานไปในตัวขณะใจใดเห็นไัยในวัตาักรสงสารขณะใจนั้นก็ดับเพลินในวัตาักรสงสารไปในตัว ขณะใจใดที่ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปขณะใจนั้นก็ไม่ปล่อยเวลาทำให้เสียไปเหมือนกันใจไม่รักใจก็ไม่มีอันใดจะมารักใจใจรักใจตอนไหนใจก็รักทำตอนนั้นใจเบียดเบียนใจตอนไหนใจก็เบียดเบียนทำตอนนั้น ใจส่งเสริมใจในทางที่ถูกต้องตอนไหนใจก็ส่งเสริมทาที่ถูกต้องตอนนั้นใจยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏจัรสงสารใจนั่นจะนอนใจก็เรียกว่าใจประมาทใจใดจะสำคัญตัวเป็นผู้ฉลาดสักเพียงไหนก็าตามแต่ยังไม่มียาหนวาพ้นทุกข์ในวัฏจัรสงสาร ใจนั้นเป็นที่พึ่งของใจไม่ได้ในชั้นสูงแต่พอเป็นนิสัยก็ได้อยู่ภัยในวัฏจทรสงสารก็คือภัยของโลกของโกรธของหลงภัยของจิตของใจที่ไม่รู้เท่าของตนที่ทำแล้กวกานนำภัยมาให้ตนนำภัยมาให้คนอื่นอีก สัตว์อื่นสิ่งไหนที่ทำประโยชน์แก่ตนสิ่งนั้นก็ทำประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นอยู่ในตัวสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นอยู่ในตัวนั่น มาก็จะเอาใจมาดวงเดียวเวลาไปก็ต้องเอาไปใจไปดวงเดียวไม่ได้เอาอันอื่นไปด้วยความดีความชั่วใจเป็นผู้หกไปกรรมและผลของกรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุของกรรมทั้งหลายมีมโนกรรมเป็นนายกของกรรมทั้งหลาย จะทำด้วยกายกรรมก็าตามวิกีกรรมก็าตามก็มีใจเป็นหัวหน้าในทางดีทางทั่วกรมงั้นกันด้านภาวนาก็คือภาวนาใจ ค, คนไม่มีใจก็ภาวนาไม่ได้ก็สติไม่มี ภาวนาก็คือภาวนาเรื่องใจนั่นเองใครเป็นผู้ท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารก็คือใจกับกิเลสนั่นเองเที่ยวสิ่งอื่นไม่ได้เที่ยวดินหําไฟลมภายนอกไม่ได้เที่ยว ใจดวงเดียวเที่ยวถ้ามีกิเลก็เอากิเลไปเที่ยวด้วยถ้าไม่มีก็เที่ยวไปเฉยๆไม่มีโทษไม่มีโทษมาก สิ่งไหนที si producto, ่เบียดเบียนใจสิ่งนั้นก็เบียดเบียนตนสิ่งนั้นก็เบียดเบียนธรรมสิ่งไหนที่ไม่เบียดเบียนใจสิ่งนั้นก็ไม่เบียดเบียนตนสิ่งนั้นก็ไม่เบียดเบียนธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใจก็เป็นโลกุตระธรรมโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิ โลกุตละปัญญาสินห้าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตโหถานะสินแปดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกันสินสองร้อยยี่ิเจ็ดก็เหมือนกันและก็มีศีลานุสติอยู่ในตัวด้วย พอระลึกถึงศีลที่ตนรักษาก็มีสมาธิอยู่ในตัวด้วยก็มีปัญญาอยู่ในตัวด้วยผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้รักษาสมาธิไม่เป็นให้ทานไม่เป็นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นเหตุนั้นปัญญาก็เป็นหัวหน้าของจิตใจและสติเพราะเป็นเป็นอินรียห้าเป็นพระห้า คือเป็นกำลังศรัทธาความเชื่อก็เป็นกำลังของใจวิญญาณความเพียรเป็นกำลังของใจอยู่เหนือใจสติและรึกชอบก็อยู่เหนือใจสมาธิตั้งมั่นก็อยู่เหนือใจปัญญารอบรู้ก็อยู่เหนือใจอินทรีย์ห้าก็เรียกพระเป็นใหญ่ในจิตของตน ความโง่มีเท่าใดความฉล า, าดก็มีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกันมืดมีเท่าใดสว่างก็ต้องมีเท่านั้นหลงมีเท่าใดสิง่งที่ไม่หลงก็มีเท่านั้นย่อนความหลงลงมาหนึ่งก็ย่อนสิง่งที่ไม่หลงลงมาหนึ่งถ้าขยายความหลงออกก็ขยายสิ่งที่ไม่หลงออกเหมือนกัน จะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยจะย่นก็ไม่สงสัยจะขยายก็ไม่สงสัยเพราะขยายออกจากใจถ้าย่นก็ย่นลงมาหาใจหนักทางดีก็เหมือนกันทางชั่วผมเหมือนกันนับมากก็มากออกไปจากใจนับน้อยก็น้อยลงมาหาใจสำคัญตัวก็สำคัญออกไปจากใจ ไม่สําคัญตัวก็คือไม่สําคัญใจพูดมาถึงที่นี่แล้วมันก็เป็นเอกระเนีบาทเป็นเอกะวาชนะไม่เป็นพหูวัชนะพระหูวัชน ะ, ะหนะนะแปลว่า มาออกไปมาออกไปเท่าไรก็ย้อนลงมาที่นี่มาออกไปเท่าไรก็ย้อนมาที่นี่ใจเป็นนามธรรมา กายวาจาเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรร ม, ามนามังแปว่าชื่อว่าใจจงเห็นใจกันมากจงเห็นใจกันมากก็ไม่ให้เห็นอันอื่น สิ่งนั้นที่เวียดเบียนตนสิ่งนั้นก็เบียดเบียนท่านผู้อื่นเหมือนกันสิ่งนั้นไม่เวียดเบียนตนสิ่งนั้นก็ไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่นเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ใจเป็นผู้ไม่พาฆ่าแล้วก็ไม่มีเวรกับสัตว์ก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ผู้อื่นก็ได้รับสุขไปด้วยเราไม่รักทรับ เราก็มาในเวรไม่มีเวรมีภัยในส่วนนั้นท่านผู้อื่นก็ไมาในระแวงเราด้วยนักตา า, ารมีชีวิตชาจาย์ก็เหมือนกันมุาสาวาตก็เหมือนกันโซราควาเหมือนกันแต่ไม่ดื่มมันก็เมาแล้ ว, มวมเ ales, มาว่าไม่เก่เมาไม่เก็บเมาว่าเนี่ยตายเมาราเมารถเมาสรรเสริญบ้าราบบ้ายศ บ้าจะไปหายอยู่กับพระอรหันต์หนุนพระโสดาวัน่ะบ้าหายไปบ้างแล้วไม่ขบวดคืนอีกรักทาคาม่ก็หายไปกว่านั้นพระอนาคามีก็หายไปกว่านั้นพระอรหันต์หายบ้าหมดแล้วข้ามทะเลบ้าแล้วข้ามทะเลหลงไม่หลงมาเป็นบ้าอีกส่วนพระโสดาวัน บ้าค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามข้ามไปแล้วบ้ามุสาพูดปดสุราบ้าดื่มสุราก็ข้ามไปแล้วไม่คืนมาเป็นบ้าอีกบ้าเลขบ้าผาบ้าบัตรบ้าเบอร์ก็ข้ามไปแล้วบ้าถือศาสตราอื่นก็ข้ามไปแล้วบ้าถือเกกามดีก็ข้ามไปแล้วเรียกว่าพระสวับ บ้าถือเลิกดียามดีก็ข้ามไปแล้วบ้าถือไสยศาสตร์ก็ข้ามไปแล้วข้ามไปที่ดวงใจจะภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็ข้ามไปแล้วเพราะมันเห็นโทษอย่างเต็มที่ส่วนพระสกทาคามีข้ามไปละเอียดกว่านั้นอีกส่วนพระอนาคามีบ้าหลงหนังข้ามไปแล้ว บ้าโทสะก็ข้ามไปแล้วยังเหลือบ้าโบหะอันละเอียดนิดเดียวส่วนพระอรหันต์ข้ามบ้าไปหมดแล้วบ้าราคะก็ข้ามไปแล้วบ้าโทสะก็ข้ามไปแล้วบ้าโมหะก็ข้ามไปแล้วไม่เสียดายอยากจะคืนมาโลกมาโกรธมาหลงอีกเลยถ้าเสียดายอยากจะคืนมาโลกโกรธหลงอีก มันก็หนักใจที่ท่านไม่เค่ได้คืนมาอีกก็เพราะมันไม่หนักใจพอเห็นว่าเป็นโทษรนล้วนสิ่งไหนที่เป็นโทษรนล้วนแล้วไม่แค่ได้อยากลวงละเมิดสิ่งไหนที่ยังไม่เห็นโทษรนล้วนมันก็แค่ได้อาดายอยากลวงละเมิดนั่น น, น่นนั มันเห็นโนทษในการขี้เกียจมันก็ไม่อยากขี้เกียจอีกถ้ามันเห็นคุณในการขี้เกียจมักง่ายมันก็มามักง่ายขี้เกียจอีกเหมือนกันถ้ามันเห็นโทษในการมักง่ายที่ขี้เกียจมันก็ไม่มาอีกนะเหมือนดึงขาเต่านะ ถ้ามันเห็นโทษไม่ภาวนามันก็ต้องภาวนาถ้ามันเห็นคุณในภาวนามันก็ต้องภาวนาถ้าไม่ไม่เห็นคุณในภาวนาจะให้มันภาวนายัางไงนะ มันไม่เห็นคุณในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะให้มันเลื่อมใสยังไงน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีอิสระในมันมันก็มีอิสระแต่ทางที่ไม่เลื่อมใสไม่เคารพนับถือนักนนักดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงปล่อยให้เห็นเองไม่บังคับ พพวกธาติศาสนาได้คนมาเลื่อมใสแบบบังสกุลไม่ได้คมเหงไม่ได้กล้าด้วยเพยบาทเงินตาให้มีสิทธิ์เห็นเองให้มีสิทธิ์เลื่อมใสเองไมไ่ต้องเอาปืนไม่ต้องเอาศาสตราอาวุธบังคับศาสตราอาวุธบังคับมันก็ขบวคืน นั่นเช่นเราไปฆ่าโคฆ่ากระบือเหมือนกันฆ่าไก่เหมือนกันมันก็ล่องอ๊อกอ๊ออก อ, อ ก, ออกแต่ไก่มันไม่ยอมมึงเถอะมันว่ายอย่างนั้นนั่นัน่นมันตายด้วยความจําจเป็นมันไม่ยอมตายมึงเถอะมันว่าอย่อย่างนั้น เหตนั่นเวรภัยจึงมีในวัตตาสองสามผู้กลัวเวรกลัวภัยผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเชื่อจิตเชื่อใจเชื่อสติปัญญาของตนที่พิจารณาถูกนั่นเอง ธรรมกาวังพะโวโหตุผู้ใครควรทำเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครควรทำก็ตรงกันข้ามผู้สนใจในธรรมชณะความสนใจทั้งปวงผู้ไม่สนใจในธรรมก็ตรงกันข้ามผู้เลื่อมใสในธรรมขณะความเลื่อมใสทั้งปวงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้าม ผู้ยินดีในพระนิพพานชนะความยินดีทั้งปวงชนะความยินดีในวัฏสงสารวัฏแปลว่าหมุนเวียนในทางกองทุกข์สงสารก็คือหน้าสงสารหน้าสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงว่าวัฏสงสาร หน้าสงสารตนเองและท่านผู้อื่นที่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและสัตว์อื่นกรุณาความสงสารที่จะช่วยคนทุกเมตตาความรักใคร่ปารสนา้เป็นสุขอย่าได้มีเวรในภัยกัน กรรนาความสงสารที่จะช่วยคนทุกข์เมื่อที่ตาความพลอยเมื่อผู้อื่นทำดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ขี้หึงเขาทำดีก็พลอยยินดีด้วยตอนไหนมั น, มนถูกตอนไหนมันไม่ถูกก็ไม่พลอยยินดีด้วยมิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ ด, ดี ตอนไหนทำดีก็ส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็กีดกันนั่นเรียกว่ามิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาการดีหมูเพื่อนดีไม่ใช่ว่าทำชั่วก็ค่อยตามทำดีก็ค่อยตามต่อหน้าก็ว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทาแบบนั้นใช่ไม่ได้ไม่มีในพุทธศาสนาน ความผิดก็เป็นอาการเพื่อให้เคล็ดลาบความถูกก็เป็นอาการเพื่อให้พยายามรักษาไว้พระเนปายเนื้อผิดเนื้อถูกไปแล้วจึงเนื้อบุญเนื้อบาปไปแล้วเพราะความผิดก็ละพอแล้วเพราะความถูกก็เจริญพอแล้ว ทมทั้งหลายเป็นของว่างก็จริงแต่ว่าว่างประทางบาปควรจเจริญควรเวทว่างประทงบุญควรเจริญทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่ว่าทางบุญเป็นควรเจริญทางบาปเป็นควรเวทเวทไม่แต่พ้นทุกแล้วในวัาสรรงสารถ้ายังไม่พน้นบาปก็วางเสียบุญก็วางเสียก็เลยไม่ได้สร้างอะไรมันก็ไม่ถูก嘛 ใกล้กับคนไม่มีงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขบุญคือสร้างขึ้นทำให้เกิดให้มีที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้สร้างไม่อิสระแล้วเพราะใจไม่เป็นว่าใบาเสียจดิตผิดมนุษย์ ทานะไมบุญทัพเพด้วยการบริจาคทานศีลลไม่บุญสัพเพดด้วยการรักษาศีลภาวนาไมบุญสัพเพดด้วยการเจริญภาวนาอภิจาระละไม่บุญสัพเพดด้วยการประพฤติถ่อมตนแต่แก่ท่านผู้ใหญ่เวียวัจจะไม่บุญสัพเ็ดด้วยการช่วยคนไขยในจิตที่ชอบปฏิทานาไม่บุญสัพเพดด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศให้ปวงสัศ์ทั้งิ้นเรียกว่าปฏิทานะไม่ ธรรมัตสวรรณาไมาบุญสมเด็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทชนามัยบุญสาเด็จด้วยการแสดงธรรมสัพพะทานังธรรมทานังขีนาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทำเป็นทานให้ทําเป็นทานชนะทานทั้งปวงทุกวันนี้เราได้สร้างบา ร, รมีให้ทําเป็นทานไม่มีกลางวันกลางคืน เราให้เป็นทานาเราให้เป็นธรรมแล้วผู้อื่นจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ท่วมไม่เสียแรงไม่เสียทิฏฐุชุ ก, กรรมการทำความเห็นได้ตรงเห็นว่ามีบาสมีบุญก็เป็นบุญกองหนึ่งเห็นว่าบาปมีบุญมีแม้ผลนี่มาทานมีคุณครูบาอาจารมีคุณท่านผู้มีคุณมี คุณเทบุเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการจะตรรกบาล ท, ทั้งสีต่ตลอดทัวทั้งใต้โลกธาธตุที่มีคุณรวมคุณทั้งหลายไปเป็นเมืองขึ้นของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นเมืองขึ้นของพระเนพานคุณเพระพุทธชัมส่ง์ไปรวมคิวกันอยู่ที่นั้น ไปเองเครื่องดึงหลูดไปเองเหมือนอากาศดึงลูดน้ำขึ้นไปเบื้องบนเจหน้าที่บอกหาสิบเนีย่ยมัเอกะปดนะหรือหาสิบเอ็ดนะอะไนอกมาเนี้ยน้ะ ยะถ า, าวารีวาฮาภูราภเรภเลนเดสาขลังเอวเมวอีโตเท น, นังเปตารังโอปคปติวิชิตังวิชิตังตุมหังขิปเมวะสัมมิจตุนเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถาไม่โชติระโสยาถาะพีพโยยวัจจันตสะปะทุโขสปพปะโยสะปะโรโขเวนัสจตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีธีกายุโกพระว่าอภิวาทานสีนิสนิจังมุทาปัญโนจัตตารธรมมวัฏานติายุวันโหนสุขังพระลังผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟั่งเอาใจฟัง่งกับมันล่ำมัดขึ้นม่งมีก่อนเกา่าอันเกา่าหันแล้วฮันนี่ผูดด้ใดสิมาเอียงก็เวมาสักฮันผู้ใ ด, ดสงสัยเอียงมึไม่ได้สงสยัยหรอกนาะ ขึ้นของมาหาสมุทรทะเลชั้นใดอธิปไตยทั้งปัวก็เป็นเมืองขึ้นของทํรมาธิปไตยทั้งนั้นนั่นนั่นนั่นเพิ่งจะทำถูกก็ไม่ถูกว่าจะปัญหาเนี่ยทำอะไรแม่มองดูหัวใจกับทำลำบากเหมือนกันนายช่างทิี่ดินหัวา้างฟิดบดซึ่งระดับน้ำ ซิ้งเครื่องวัดเครื่องตวงเอาแบบคาดคเนกรำละผลของกรมไม่เข้ากับพักใดพวกใดมีประจําโลกอยู่ศาสนาแน่ไหนจะถือด้ือไม่ถือไปเป็นปหนัหาข้อนี้แหละสําคัญมากนะกมมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นประจกรรมนั่น เธอจะซ่อนเล็บไวเหมือนแมวเหมือนเสือก็าตามผลของกรรมก็าตามสนองเธออยู่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนันสารสวนสามตัดสินไม่สําคัญสารภายนอกสารพร ก, กรรมและผลของกรรมตัดสินใส่โลกอยู่ยยนั่นเองการงนยังคือนั่งผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธธรรมสงฆ์นั่นเองก็คือเชื่อทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง ก็คือผู้มีหลักนั่นเองก็คือตกน้ามีที่จับนั่นเองนั่นก็คือมีตามองดูเหมือนกันมีตาทิพ ป, ปัญญาทิพด้วยจะไปให้คะเนนแจกหลวงปู่ล่าตาทิพเราก็ตาทิพเหมือนกันใช่ไหมอืม <laughs> ปัญญาทิพที่เรามีอิสระอยู่นั่น นั่นจึงเรานี่แหละคนทั้งร้ายข้างแขนอยู่อันนี้กดเพี้อันนี้เลยเนี่ยถูกไหมเนี่ยมันต้องถูกจุดมันเพศวันตลอดวันยังค่าไม่สุกจุดมันมันก็ไม่ได้ผลนี่จุดมันอยู่นี่ทุกวันเนี่ยมันรุ่นกันอยู่นี่นี่นี่แต่คระกอบทางวิธีไหนหนาะแต่ประกองกางวิธีนี่เนาะกลัววิธีมียังอายตาวาากลัวตาว่าบานนั่นเองเธอไม่กลัวตาว่าบานเธอไม่มียังอายตาวาวดานวัตหมายจะตั้งเต็มรประเทศแผ่นดินมันก็ไม่อยู่เนี่ยเครื่องอายุทุติยพล จะทิ้งระเบิดตูมจีตูมตจีมจนไม่มีใครยังเหลืออยู่ก็ตามมันกอไปไม่รอดนั่นเหุ่เช่นนจึงเล่นทำไมได้ธรรมาชิปะไตเอ้าถ้าจะเอาประชาชิปะไตเป็นใหญ่เอ้ามีผู้มารากมาเขานิยมกันมนต์โลกม่ามามีบาปมีบุญจะเอาไหมเราไม่เอาเน้อเราเราไม่เอานั่น จะเดินขบวนวัดไตโลกาธาเนี่ยบาปไม่มีบุญไม่มีเราก็ไปไม่ไปด้วยมีผูกค่าเดียวนี่เราก็ยอมตายเดียวนี้เนี่ยเอ้าเลือกเลือกทุกหยดเราจะอุชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นมันต้องอย่างนั้นคนเราอาถารต่อความดีของตนแต่เขาอาถารต่อความชั่วของเขาเขาก็ยังอาถารเนี่ยเราอาถารต่อความดีมันจะเป็นอะไรนั่งนั่งนั่งแมลงวันอาถรรพต่อความชั่วแมลงพึ่งอาถารต่อแก่สนหรอกไมมอันไหนมันดี อันไหนไ ป, ประชาธนปัตยด์ดีนั่นนั่นนันนั่นนั่น น, นันันนันนั่น น, นัเทวังเอาละธามมาทีจุดมันอยู่นี่มันสังหัวใจลูกหลานอยู่นี่จุดมันเพงออกนี่เลยถูกไหมใครไปที่ไหนก็เออเอออยู่นนั้นใช่ไหมจุดมันอยู่นี่ต้องเพงออกฮะอืมแข็งแรงอยู่แข็งแรงต่อธรรมะ แขงแรงบูชาธรรมะอาแทพพอตายแล้วยังค่ะยังแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดสองันสีรอพอพ้อห้าสิบสี่นี่าเจ้าิบอมหรูราตาทิศ่าตาิอันนี้ไม่ใช่ัวปูราตาทิศหรวอรปูร่าปัญญาเนี่ย ปัญญาพิบเนี่ยโหดลูกหลานก็มีบุญบารมีถึงได้มาถึงท่ั้านก็มีบุญบารมีถึงได้สร้างมาขนาดนี้นั้นเอาไว้ให้คนอื่นนั้นเอาไว้ให้คนอื่นะทําเป็นเรื่องของคนอื่นซะนะถ้าเอาเป็นเรื่องของตนก็ วุฒิระของขายของมันนั่งดมอยู่ก็หอมใช่ไหมใช่เป็นของอื่นก็คนคนของคนอื่นก็ต้องเห็นแบบใช่ถูกไ้มนั่นเรื่องการติชมเอาให้ไปเลือกของคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องของเราสําหรับตัวเราเป็นเรื่องของท่านผู้อื่นนะการติก็ดีการชมก็ดีเอาไปเรื่องของคนอื่นถูกไหม เราไม่มีสิท์ใช่ไหมเราจะไปเอาสิทธ์การที้ชมไม่ได้การที้ชมมเป็นเรื่องของคนอื่นสนัะเราจะไม่ผูกขาดเอาหน้าท้องสารลูกลูกแล้วงานโ อ, อสักษาเซอเรุารนะ์เ<ม>ขาบอกเรามาศาสตาเป็นมหาการุณยโกนาโถ เมมหากรรณาดังสากรโอดมูประชากรมรอกข้ากันดารชี้ทางบรรเทาทุก์และชี่สุภเกษมสารชี้ทางพระนางลิพานอันพ้นโศกโยคะไยความเบญปปิปประจับพุทธรัตน์เมิมนใสเห็นเหตุที่ไกลใกล้ก็เจนฑ์จับประจับสิงทำจับหน้ามใจยามชันดันบาแพงชายหญิงทรัพย์โลกได้พึ่งพิงเมตตาบาบบำเพ็ญบุญข้าขออนุน้อมด้วเศียรเก้าบังคมคุณ สัมผุสตการุณตลอดานานไปเป็นชุดเป็นุดที่นี่พุทธโมสะโกเออย่าๆจินความกว้างใช่ไมเออย่าๆจิงความกว้างอืมไปเป็นชุดชุกลูกหลานสร้างบุญสนพ<ส>ั<ด>บุญคนทาบุญบ่อยใจก็พอพุทธเขาก็ไปหาพุทธ พวกศาสนะอื่นก็ไปตามอื่นใครตื่นไหมตื่นไหมสะดุ้งไหมถ้าสะดุ้งละกรรมฐานไม่ดีถ้าไม่สะดุ้งลกรรมฐานดี ลมหายใจเข้าออกเป็นยอดของกรรมฐานไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยสะดุง้งอารมณ์หายใจเข้าออกผูก้ใดเจริญได้ชำนาญถ้าเวลาห่างเหินออกจากลมหายใจเข้าออกมักจะสะดุ้งผาวาพระบรมศาสดาบอกว่าท่านผู้ใดชอบตื่น ชอบสะดุง้งเหมือนเนื้อสมังในป่าสติของเขาไม่เจริญพรสของเขาไม่เจริญเราก็เวลาไหนเราห่างเหินจากภาวนาบ้างเวลาตโตงลงมากอย่างนี้นะอะไรก็แก๊กก็ตื่นถ้าเวลาเราไม่ห่างเหินจากภาวนาก็ไม่ค่อยสะดุง้ง พี่น้องชาวกรุงเทพพระนครหลวงแล้วก็พวกชาวเหนือก็มีกำแพงเพชรหรือที่ไหนก็เชียงใหม่เชียงใหม่ก็มา เ, ออเคยมาแล้วยอยู่ไกลกันขอบฟ้าต่างฝ่ายต่างมีพระพุทธพระธรรมประสง์ทรงอยู่ที่ใจ ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทรรมแลพระบรมศาสดาจะอยู่ขอบฝ้าเรียนดินก็ตามถ้าถือศาสนพูดอยู่ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทมแลอาหารท า, ารพอสบานไม่ได้หรือมีอยู่ในท้องนิดเดียวนะวันนี้ มีเวลาท่องขนาดนี้ไหมอาหารวันนี้หิวไหามอาหารมีอาหารไหมวันนี้อาหารในท้องตอนค่ำมีบ้างนะ ค, ยยนาานนคุณยายได้ทานกับเขาไหมอาหารในทานไหมคุณยายในทานไหมอาหารมีอาหารอยู่ในท้องไหมยท้งไม่มออก เนี่ทานอาหารไม่วันนี่ทานแล้วนะทานอยู่ที่นี่นะใครไม่อิ่มก็พรุ่งพุนี้จึงกินแล้วอตาตมาก็ฉันเมื่อเดียวมาหลายปีแล้วพรุ่งนี้ จึงรับทานพร้อมกัน ถ, ถ้าย้ำถ้าไม่อิ่มพราะคุณโยมมันเอาเปรียบพระพระฉันคนเดียวนี่รูปเสียงกลิ่นรสโสดพะธรรมารม ดินก็ไปหนุนดินน้ำก็ไปหนุหนน้ำเรารับฐานอาหารก็เรียกว่าดินไปหนุนดินเราดื่มน้ำก็เรียกว่าไปเพิ่มธาตุน้ำเราอาศัยเครื่องอบอุ่นก็ไปเพิ่มธาตุไฟเราหายใจเข้าออกก็ไปเพิ่มธาตุลมเราเนึกเราสร้างบุญก็ไปเพิ่มเพิ่มบุญอยู่ที่ดวงใจเราสร้างาบาปก็ไปเพิ่มบาปอยู่ที่ดวงใจ เราจเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือกรรมาฐานอะไรอันหนึ่งก็ไปสร้างมรรคสร้างผลอยู่ที่ดวงใจมรรคกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุตั้งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตยุยินดีในพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ผลก็ยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็คือมักพืชก็คือมักมักแปลว่าเหตุพืชก็แปลว่าเหตุ กรรมก็แปลว่าเหตุผลของกรรมผลของพืชผลของมรรคก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพื ช, พชกรรมมรรคเป็นประมาณสร้างเหตุสร้างพืชสร้างมรรคสร้างกรรมลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้ตารับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของมรรคของผลไปทางดีก็เหมือนกันกับทางชั่วก็เหมือนกัน กำไรใครก่อก็คือมนุษยภาพเป็นผู้ก่อขึ้นในทางกุศลแล้วเอากุศลก็ดีทําบุญแล้วก็มาอยู่ที่ใจทําบาปแล้วก็มาอยู่ที่ใจเมื่อดตอนเข้าข้อยากเหมือนโคและกระเบือ้องผู้ไมบุญก็ไปด้วยบุญผู้ไม่บาปก็ไปด้วยบาป เดินเดินนั่งนอนรับตื่นเป็นกิริยาภายนอกส่วนกิริยาภายในของจิตของใจผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอารมณ์ของผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามันก็เป็นไปในทางบุญเป็นส่วนว่าไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งไม่ทาน้ไม่ก็ศีละไมและลึกเป็นอารมณ์ อารมณ์ของผู้ที่พระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์ที่ไปในทางบุญเป็นส่วนมากถึงจะมีบาปว่ามาสลับกันก็เป็นส่วนน้อยบุญแบ่งออกเป็นสองบุญในทางโลกีบุญในทางโลกุตระบาปก็แบ่งออกเป็นสอง บาปในทางโลคีบาปในทางโลกุตระบาปในท้ทางโลกุตระมีอะไรบ้างอธิบายบาปพระสวนาดับเป็นบาปที่เบาแล้วบาปของพระสวัสดบิบไม่ถึ ง, งกับลงนรกเิดตวิสัยอสุรก า, ายบาปพระจักทาคารีก็เหมือนกันบาปพระอนาคาเี เป็นบาปที่ละเอียดมากราคะบาปขาดไปแล้วโทสะบาปก็ขาดไปแล้วยังแต่โมหะนิดเดียวส่วนพระอรหันต์นั้นบาปก็ขาดไปแล้วบุญก็ขาดไปแล้วเพราะบุญก็สร้างพอแล้วเพราะบาปก็ละพอแล้ว ก็เลยเนื้อบาตเนื้อบุญไปสักบุญก็บวกบุญอยู่ที่ใจบาปก็บวกบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่อื่นผู้ถือผีก็บวกผีอยู่ที่ใจผู้ถือพราม์ก็บวกพรามณ์อยู่ที่ใจผู้ถือไม่มีบุญไมีบา สิ่งที่ไม่มีบุญไม่ีบาปก็ไปบวกใจ ก, ก็คือนรกโกรกันตะนรกนั่นเองผู้ที่ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปคำปฏิเสธนั้นมันเป็นเสียงจอบเสียงเสียมขุดฝังตัวแล้วเรามาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารมาท่องเที่ยวสร้างกุศลพลบุญ เพราะยังบกพร่องอยู่ถ้าหากว่าบาปเราละพอแล้วบุญเราก็สร้างพอแล้วพวกเราก็มาในมาท่องเที่ยวในวัดตะท่องศารอีกพวกเราก็เข้าสู่อนุปาทิเสจะได้ผ่านไปซะนี่เหตุไหนจึงในมาเที่ยวอยู่เพราะยังเป็นนี่ตนเองอยู่ยังใช่นี่ตนเองยังไม่พอโลกโกรหลงยังใช่ไม่พอ ถ้าใช่นี่โกรดหลงของตนพอแล้วเราก็เข้าสู่พานาะไปสักเขตของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นเขตบุญเขตของผู้ไม่ถือพระพุทธศาสนาเป็นเขตบาปเป็นส่วนมาก ปันเทโตคารมาวะสังบันพิษเป็นผู้ครองเรือนบันเทศเป็นผู้ครองศีลครองธรรมก็ถูกศีลธรรมเบื้องต้นหมายสุพจปันูในทางคารวาสก็หมายสุพจปันูเป็นเกณฑ์ในทางพิสุสัมเดนก็หมายสุพจนูเป็นเกณฑ์ ถ้าถึงสุคติปันโนแล้วก็เป็นอบายะภูมิทั้งสี่ปิดประตูอบายะภูมิแล้วปิดประตูใจปิดประตูความผ p e พ p e t บาปหยาบยาบละไปแล้วความหลงยาบยาบก็ละไปแล้วโรคหยายบหยาบก็ละไปแล้วโกรธยงยาบยาบก็ละไปแล้วหลงอยายบยาบก็ละไปแล้ว พุโทโธชั้นต้นคือพุโทโธที่มีศีลห้าบริบูรณ์ในทางพระพุทธศาสานาต่ำกว่านั้นลงมาก็เป็นโลกีแต่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ก็ต้องผ่านโลกีเสียก่อนจึงถึงโลกุตละการปฏิบัติศีลธรรม ถ้าเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพอแล้วก็ไม่เป็นของยากเพราะมันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเองมันเช่นสินห้าอย่างนี้ถ้าเลื่อมใสในพุทธศาสนาพอแล้วถ้าเห็นคุณในศีลห้าพอแล้วเห็นโทษในเรื่องที่ไม่มีสินห้าเห็นคุณที่เห็น คนที่มีชิ้นห้าเห็นโทษที่ไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เห็นคุณที่ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ก็ต้องถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่กระด้างกระเดืองและพอใจด้วยทำไมจึงถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเพราะตื่นไหมพระคำสอนใดๆในไตรโลกธาตุ ไม่สอนดีเหมือนพระพุทธศาสนาจึงยอมรับนับถือพุทธธรรมสงทรงอยู่ที่ใจพุทธโธแปลผู้รู้ละบาบปบาเพ็ญบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งผู้ละบาบปบาเพ็ญบุญสังโฆก็ปฏิบัติละบาบปบาเพ็ญบุญ ตกะลงพุโทโธธรรมโอสังขูก็รวมพลกันอยู่ที่ดวงใจเป็นเชือกสามเกลียวเหนี่ยวกันอยู่ที่ดวงใจศีลก็ตัดศีลลงที่ดวงใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ดวงใจปัญญารอบรู้ลงในที่ดวงใจเรารักษาศีลห้าเป็นภาวนาไหม เรารักษาที่หน้าก็เป็นภาวนาอยู่ศีลานุสติเราระลึกศินของเราที่รักษาเราถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นภาวนาไหมก็พุทธาธรรมาสังขานุสตินั่นเองนั่นพอระลึกถึงคุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอนุสติอยู่ในตัวแล้วเราให้ทานก็เป็นจาคานุสติ นึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วหรือกําลังจะ บ, บริจาคอยู่สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งว่ากรรมันเป็นบุญเรียกบุญกิยาวัตถุก็มีอยู่สามอย่างทานไม่บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานศีลไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาถ้าขยายออกไปอกีกเป็นบุญกิยาวัตุสิบได้เนี่ สี่อปใิใจในไม้บุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแต่ท่านผู้ใหญ่ข้อห้าวยาวัจจะไม้บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบข้อหกปฏิฐานในไม้บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศให้ทัวทั้งตจโลกธาตุหรือให้วิรามานาผู้ล่วงรับไปกอดีหรือให้ ญาติพี่น้องที่ร่วงไปก็ดีหรือให้ทั่วทั้งใจโลกธาตุก็ดีเรียกกระปัติฐานทำไมบุนเสวจด้วยการให้ส่วนบุญปัตตาโนโมธนาใหม่บนเสว ย, ด, ยด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเราอัจโมอนุโมทนาส่วนบุญด้วยใจก็ดีและมีอามิตรเป็นพยานก็ดีก็เป็นปัตตาโนโมธนาไมทั้งนั้นธรรมะสวานรค์ใหม่บนทเร็จ ด, ด้วยการฟังธรรมก็เป็นบุญขุมหนึ่ง ธรรมเทศนามายมูลทะเบ็ดวยการสแสดงธรรมก็เป็นบุญอีกขุมหนึ่งแต่ละขุมละขุมก็ไหลลงอยู่ที่ใจหมดทิดถุชุ ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่ามีบาปมีบุญอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งไหลลงมาทั้งสิบทาง แต่ละทางละทางก็ไหลลงสู่ใจหมดนะอย่าวัตถุที่ทาบุญเรียกว่าบุญคิญยาวัตถุสิบบุญคิญยาวัตถุสามก็มีธาตุไมสีธรรมั ย, ามยภาวนามัยขยายออกไปก็เป็นบุญคิญยาวัตถุสิ บ, บวัตถุที่เราทำเวลาเราทำบุญตอนไหน บาปตอนนั้นก็ไม่มีเวลาเราทำบาปตอนไหนบุญตอนนั้นก็ไม่มีบุญบุญยังโจเลหิทัวรังบุญโจรนําไปไม่ได้นําไปได้ยากอันอื่นโจรนําไปได้ส่วนบุญโจรนําไปไม่ได้ ปุญญานิกปรโกรกัตสเมงปฏิทาาโนติปานิหนังบุญเป็นเท่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยจะไปพระนิพพานก็ต้องไปทางบุญจะไปนรกก็ต้องไปทางบาป ่บาบไม่ได้อยู่กับตัวบอสระอาตัวปสกดอยู่กับใจของเราถ้าเราทําขึ้นบุญก็ไม่ได้อยู่กับตัวบสุยผู้หญิงไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบภายนอกก็อยู่ในตู้ในหีบภายในคือใจใจใจใจนี่เองทนี้จะให้ปลาลบอะไร ก็ให้ขอให้พวกพ่นอน้าบอกมาจะให้ปารบเรื่องภาวานาหรือปารบเรื่องอะไรบางท่านก็จะเทศไม่ถึงใจเออจะเทศเท่านั้นเราฟังอยู่ที่ไหนก็ได้หรอกเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นเทศคนหมู่มากก็ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านผู้ใดต้องการขนาดไหนทำนาเมืองทำยาก พบหวานแต่พึ่ตะพือไม่รู้ว่าจะถูกตามความประสงค์ของท่านผู้ใดไม่ทราบก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ใดจะคัดข้องอยู่ในระดับใดขอให้มีสิทธิ์ปรารบเอาท่านผู้ใดเคยภาวนานโพธิยกมือขึ้น Oh. ท่านผูดด้ใดเคยภาวนาหลายอันพุทโธก็เอากายคตาสติก็เอาความตายก็พิจนะารณาโอสารพัดเ่ยส <laughs> ารพัดนะสารพัดก็ได้บุญสารพัดเหมือนกันนะ ไอ้แท้ความจริงภาวนาอันไหนก็เป็นภาวนาพุทโธทั้งนั้นฮะว่างเลยครับวางเลยครับโอ้ภาวนาพุทโธหรืออืมดีมาก กรรมฐานแต่ละอย่างนะยะพิจารณาความตายก็ตามพิจารณาจาคาพิจารณาถึงฐานก็ตามถึงศีลก็ตามภาวนาอันไหนอันไหนมันก็ถูกพุโทโธหมดเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสอนไว้นั่นถูกไว้โยงถึงกันหมดเมื่อถูกพุโทก็ถูกธรรมโมอยู่ในตัวเมื่อถูกธรรมโมก็ถูกสังโฆอยู่ในตัว ถูกโดยปริยายก็มีถูกโดยทางตรงก็มีกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างส่งต่อพระนิพพานหมดพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานเหมือนกันพุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาต า, า, ายพุทโธสอนให้เบื่อหนอายใครมาในวัฏสงสาร ธรรมโมทรงไหว้ซึ่งเบื่อหนายใครมาเมาในวัตตาสงสารสังคโฆปฏิบัติเพื่อเบื่อนายใครมาเมาในวัตตาสงสารก็มีความหมายอันเดียวกันนะโมก็เหมือนกันจะแปลนะโมออกจนครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดโยงถึงกันได้ทั้งนั้นทศโทจะแปลออกจนครบแปดหมื่นสี่พุทธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดธรรมโมจะแปลออก จนครบ8 0ด0มืนสีพระธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดชังโกจะแปรออกจนถึงแปด0มืนสีพระธรรมขันธ์ก็ไม่ผิดเพราะโยงถึงกันหมดเหมือนแผ่นดินถึงจะมีน้ําขั้นอยู่ก็โยงถึงกันหมดเพราะแผ่นดินมันเป็นของแข็งสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าปฐมวิธาตก็โยงถึงกันหมดาทั้งไตรโรกธาต เช่นความแก่ชาติพิทุขาอย่างนี้คําเดียวท่านโยงถึงกันหมดทั่วทั้งไตโรคธาตุไตโรคธาตุจะมาคัดข้านก็ไม่ได้ผมไม่มีความแก่ครับผมไม่มีความเก็บความตายคัดหรือดิฉันไม่มีแก่เก็บตายครับก็ไม่มีใครจะคัดค้านได้เหตุนั้นจึงโยงหมดทั่วทั้งไตโรคธาตุคาสอนแต่ละบทระ บ, รบาท ครบแปดหมือนศีวธรรมขันหมดเหมือนกับปั้นตีดินตีที่ไหนก็ถูกหมดตีอยู่ที่นี่ก็ถูกอเมริกาถูกรัเสเซือเหมือนกันเพราะดินเป็นลักษณะแข็งของแข็งพิจารณาดินอันเดียวก็เห็นทั่วทั้งไตรโลกธาตุแล้วเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินนัก พิจารณาน้ำอันเดียวก็ครบใจโลกธาตุเพราะตจโลกธาตุเต็มไปด้วยน้ำพิจารณาไฟอันเดียวก็ครบใจโลกธาตุแล้วเพราะว่าโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุไฟพิจารณาลมอันเดียวก็ครบใจโลกธาตุเพราะโลกธาตุเต็มไปด้วยลมนัดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวก็ครบใจโลกธาตุแล้วเพราะใจโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตา นั่นมันขึ้นอยู่กับปัญญาและสติของแต่ละท่านแต่ละคนกรรมฐานอันไหนก็ต้องดีหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราผู้ภาวนาพุทธโธเป็นผู้ศรัทธาเชิดจริตทุกคนทุกคนก็ต้องภาวนาพุทธโธหมดเหมือนกันก็เรื่อมใสแนพรพุธรรมพระสงฆ์ก่อนเมื่อเรื่อมใสแนพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้ว กุศลอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริญนมากขึ้นเพราะมีศรัทธาเฉลี่แล้วศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณทรัพย์ในดินสินในน้ำ สังหารจะมาซับก็ดีอะสังหารจะมาซับก็ดีวิญญาณกะก็ซับก็ดีสัวิญญาณกะก็ซับก็ดีที่เต็มไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพระพุธะทธธรรมประสงค์หมดเป็นสมบัติของพระพุธะทธธรรมพระสงค์หมดพระท่านเหล่านั้นท่านได้คายออกแล้วเหมือนน้าลายพรวดที่งแล้วผูดถึงพภารันแต่ผู้ยังไม่ถึงพภารันก็ต้องอาศัย วัตถุนิยมนี้เสียก่อนปัจเจียกีวานบินธาบาตเสนาสละและเพศอาศัยเพื่อจะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัตาท้องศารไม่ได้อาศัยเพื่อจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในวัฏจัท้องศารนี่อันมูนี่มูนี่มูนี่มูนี่โอนเป็นเครื่องบูชาพระพุพทธธรรมประสงค์หมดไม่ได้อโอนเป็นเครื่องบูชากิเลสของพวกเราทั้งหลาย ในไตรลักษณธาตุโอนเป็นเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดแล้วเดี๋ยวนีนนะ่พวกเรามาเลมมาเรียน้ำลายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแท้ทำแท้สงฆ์แท้ท่านเข้าสู่พระเดียพานไปหมดแล้ว ก็ยังเหลือแต่พวกเราที่เป็นสมสมมติกำลังจะเดินตามท่านเดินตามมระหลวของท่านกุติวิหารสาลาอะไรก็เป็นโมระดลของท่านมูนี่เขาเป็นของท่านพวกคุณเห็นแก่หน้าข้าซื่อพระพุทธประธานพระสงค์เอามาให้แค่ไหมเนี่ยนันี่ก็คุณพระพุทธประธาพระสงค์มันนาะห่อกระดูกอยู่นี่น่ ภาษาใีบุตรเดินจงกมกลับไปกลับมามากราบทูลพระบร ม, มศาสดาข้าพระองค์และลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณพระองค์เอ๋ยถึงจะย่ลงมาเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ตามแต่ใหญ่หลวงหาที่จะวางก็ไม่ได้ถ้าจะขยายออกก็ไม่มีสิ่งที่จะขยาย เพราะเต็มไปด้วยในไตโรคกระท่า ไ, ไตจักรวาลเสียแล้วหาประมาณไม่ได้พระองค์เ อ, อ๋ยเออเธอเป็นคนมีปัญญาว่าเธอก็ระลึกมากได้สิผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกได้น้อยเหมือนผู้มีเชือกสั้นก็ขึงได้ใกล้ผู้มีเชือกยาวก็ขึงได้ไกลผู้มีปัญญามากก็ระลึกได้มากจะระลึกอยู่กี่กับ กีกันก็ไม่หมดสา้ารีหมดเอ๋ยเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องระลึกได้มากสิพระพรทธศาสด า, ษ า, ษาเพราะความรู้มันไม่จบอยู่กับท่านผู้ใดไม่มีผู้ใดจะผูกขาดจองขาดไว้เหตุนั้นการแตกฉาดเนี่ยปสัมพิทาสีจึงมีในพระพุทธศาสน า, ษาพระพรษษทศาสนาพูดนะธรรมโมก็เหมือนกันก็ไม่มีประมาณเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าอัปปมาโนพุทธโธอัปปมาโนธรรมโธอัปปมาโนสร้างโธประมาณวันตานิสิงสปานีิอวิวิชิกาสถาปฏิอุตนาภีสัตภูมิศิกาประมาณอันอืนอ่นๆมีชิ่งจกทุกแกหรืออะไรต่ออะไรก็มีประมาณคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้ไม่มีประมาณเลยถึงจะย่อลงมาเป็นหนึ่งก็ตามก็ใหญ่โตโหถาน ในเอกปัจจุบันคุณก็ตามหาที่จะวางไม่ได้เพราะใหญ่โตหัวานจะเทียบในทางกว้างก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางลึกซึ้งก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางสูงก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางแหลมคมก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางหนักก็ไม่มีประมาณจะเทียบในทางเบาก็เบาหิวไม่มีประมาณไม่มีอะไรจะมาเทียบได้คุณของว่าพูดพอทำพอสง์ นันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณคุณเทวุดเทวดาอินพรหมพยมพระการเจตโรกบาลทั้งสี่สัพพคุณในไตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้น ของคนพรนิพพานพระไปรวมคิวกันอยู่ที่นั้นพุทธแท้ธรรมแท้สงแท้ก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพานนั่นัน่นคำสอนใดในไตรรูกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นคือพระธรรมไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้อือนดุกับท่านผู้รู้และท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้จะเอาทซั์แผ่นดินที่ไหนเต็มไตรกรธาตุมาเทียบกับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยคุณเวดามันดาปูญาตาท่วดกโอนขึ้นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคุณไม่ดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหลาน ก็โอนขึ้นนะคุณวราพุทธคามประสงค์แล้วพระบรมศาสดาก็สอนคุณของมิดามารดาเปรียบเหมือนคุณพระสารท่านผู้ใดประมาทท่านผู้นั้นไม่เจริญเราเกิดมาในพวใดชข้าใดเราไม่ที่ยงคุณมีดามารดาเลยพระบรมศาสดาชาติเป็นคนหาบฟืนขาย เราก็ไม่ลืมคุณมีดามารดาแล้วเขาแบ่งไว้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้มูเหา่าเพราะเอาไปให้ภรรยาถ้าไม่ได้มันก็ห่อฟ่อส่วนหนึ่งเอาไปให้นี้คือให้มีดามานดาส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งใส่ทะเลหลวงคือเอาไปใส่ปากใส่ท่อส่วนหนึ่งเอาไปฝากไว้ในพระคลังสมบัติ คือเอาไปบริจาคทานในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วเกิดมาพบใดข้ามใดไม่เคยทิ้งทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเลยพระบรมศาสดาและไม่เคยทิ้งวิรามนาเลยชาติเป็นนก แขกก็ไปขาบเอารวงข้าวที่ชาวนาทำตกหล่นมาให้บิดามาร น, นากินชาติเป็นลิงก็ไปหาผ ล, ลไม้มาให้บิดามาร์ น, นากินชาติเป็นโคเป็นกระบือไปพบหญ้าที่ไหนงามก็กินวนเวียนอยู่ พอเมดามานากินไปถึงก็ให้อนัตสัญญากินแล้วก็ไปหากินที่อื่นอีกคนของเมดามานาปเปรียบเหมือนคุณของปราชญนเมื่อท่านแก่เท่าชราการจงเรียงท่านอย่าให้อดระทศใจด้วยพระชนกชนนีมีพระดีได้พกเกตเกสามาจนใหญ่อุ้มอุทธรป้อนข้าวเป็นเท่าไร ห่าจะได้เพื่งพาธิดาดวงถ้าเราดีมีกิจุปธรรมกุญสลร่ำเลิศเท่ากระภูเขาหลวงจะปรากฏดยดยิ่งสิ่งทั้งพวงจนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งพระนเรศน า, าบุตรที่มาเลี้ยงเวดามารดามีในพระพุทธศาสนาก่าวคาถาดารูปชาย เรดดาลูกหญิงเรื่องบทสุดเนี่ยน้อยนะักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม่เท่าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเพื่อพบผ่านสัตว์ ร, ร้ายจะวายวนุนไม่เท่าปัดวัดเวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยเช่นเขาพูดเจรจากันเปลืน่น เขาพูดเจราจากัรเกลื่อนอยู่เช่นลูกขี้กากูจาค่าเอ๋ยถ้าเป็นลูกก็จะเป็นลูกดีๆอย่าเป็นลูกขี้กาให้รู้จักคุณพ่อคนแม่ท่านว่าอย่างนั้นเนรอลูกขี้กาที่มันเป็นผลอย่างแดงมันสุกขมขมกลมกลมคุณไมดาวานาปุยาทาทวดก็โอนขึ้นถึงคนพระคนพระธรรมประสงค์จนถึงพระเนรพลเหมือนกัน ด้านคุณบิดามารดาพวกจีนเขาเถือเคร่งเหตุฉะนั้นคนจีนจึงไม่ค่อยจะตกทุกข์ได้ยากเพราะเขาร บ, บิดามารดาเก่งมาตาไปตุปัฏฐานะเขาร บ, บิดามารดาเอตมัง พรามุดตะมังปฏิบัติขบวิดามาดาทีนี่ถ้าเราถ้าเราจะไปทางรัทธิเราจะปฏิบัติเพื่อไปทางารัทธิกามฐานในไตรลตักษณ์นี่ยไปรวมอยู่ที่รูปกรรมฐานเพียงรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารูปกรรมฐาน ก็มาฐานแต่ละอย่างละอย่างก็ไปรวมอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตารวมคิวไปรวมที่ปัจฉนาอยู่ที่นั้นได้ในในโวกล้วนอนิจจังได้ในในโลกในในในโล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีต ท, ทั้งนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นพร่อผมกั็ลมหายใจเข้าออกยิ่งดี ใครสงสัยอะไรก็ปารบมาสิเรือกภาวนาในเม็ดแปลว่าเครื่องหมายในเม็ดอยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปล ป, ปวนและแตกสลายในเม็ดภายในคือตาหูจมูกเลื่นกายใจในเม็ดภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารม อดีตคืออะไรคือตาหูจมูกเล่นกายใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือตาหูจมูกเล่นกายใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือตาหูจมูกเล่นกายใจที่กำลังเป็นอยู่ทาไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเรงแลดูรูปพระบรมชาติลา ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ท <tr ั้งหลายชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่นสัตว์ทั้งหลายทำไมถึงมีลิ้นก็เพราะชอบริมรถทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีไก่ เพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดในธรรมารมณ์ส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วท่านมีตาท่านก็ไมไ่ติดอยู่ในตาท่านมีหูท่านก็ไมไ่ติดอยู่ในหูเพราะรู้ตาเป็นจริงของหูของจมูกของเล่นของกายของใจตาเป็นแต่สักว่าตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา หูเป็นแต่สักว่าหูไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจมูกเป็นแต่สักว่าจมูกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายไม่เป็นแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้พูดเป็นหกถ้าพูดเป็นห้ารูป ก็คือดินน้ำไฟลงมวงกันเป็นกายเียวารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าก็เป็นนา ม, มพูดเป็นขันหาอันนั้นพูดเป็นหกก็พูดอันเก่าตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายย่นลงมาเป็นรูปขันคือดินน้าไฟลงชงกันเป็นกายเียวารูปใจย่นเป็นนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นั่นถึงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ไปปวนและแตกสลายไม่ตั้งอยู่ได้เลยพระสูตรก็สูตรของกายกับใจถ้าว่าเป็นสองถ้าว่าเป็นสามก็สูตรกายวายใจถ้าว่าเป็นสี่ก็อริยสัจสี่หรือธาตสุสี่ถ้าว่าเป็นห้าก็ขันห้าถ้าว่าเป็นหกก็อายตนะภายในภายนอกก ถา้าเป็นเจ็ดก็สัตตหะคือหมวดเจ็ดสิที่สงเคราะห์เขาเา้าเป็นเจ็ดถ้าเป็นแปลก็อัตตกะคือหมวดแปดโลกธรรมแปดก็ดีอัตถังขีกะะาเมฆาแปดก็ดีที่นี้ย่นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นลงมาเป็นหนึ่งซัลงมาเป็นเอกานิบาทซัศีนย่นลงมาเป็นเอกาศีลในปัจจุบันซะสมาธิย่นลงมาในเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันซะ ปัญญาย่นลงมาเป็นปัญญาในปัจจุบันซะตกลงศีลสมาธิปัญญาตรงกืนกันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจของเราไม่ต้องหาเพราะเห็นอยู่ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นศีลห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวเหนียวอยู่ที่ใจพูดถึงพระโสดาบันไม่ใช่ดายอยากล่วงละเมิดศีนห้า ไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตรดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถือเวทมนตรคาถาไม่เสียดายอยากจะสือแท่งท่านผู้ใดถ้าเขาทำผิดจนน้มตาไหลกว่าตาจะไม่ผูกเวรอาฆาตจองเวรผูกกาเก็บไม่มีในพระโสดาบันเหตุฉะนั้น ท่านจึงปิดอบ า, ายาพูผุมทั้งสีได้นั่นจะยืนเดินนั่งนอนภาวานาจนขมผมขนผ ม, ม, มหล่นก็าตามอดอาหารจนล่างกายเหี่ยวแห้งตายคากันก็าตามแต่ว่า ถ้าเสียดาอยากล่วงละเมิดสินฮาอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาวันถ้าเสียดาอยากเล่นอบายมุกอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาวันต้องเห็นโทษในอบายมุกสิ่งไหนที่เห็นโทษพอแล้วสิ่งนั่นก็ไม่เสียดาอยากล่วงละเมิดไม่เข้าใจว่าศาสดาอื่นๆจะสอน เหมือนพระพุทธศาสนาเมื่อเลื่อมใสพระพุทธศาสนาถอนไม่ออกแล้วก็เป็นอาจารยรัศดานั่นพระโทวดาวันอยู่อย่างนั้นและก็ไม่ควรกินของดิบเพราะไม่สมฐานะพุทธมามะกะไม่ควรสาบแช่งท่านผู้ใดให้ถึงความเพนา่จาจะโกรธจะเพียงไหนก็ต้องห้ามไปอีก โทมีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกถ้าจับลมหายใจเขาออกแล้วกรรมฐ า, านแปดหมื่นชีพักพันพักกรรมฐ า, านก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจเขาออกดึงถึงกันหมดสภาวะทั้งปวงรวมลง ม, ม, มาในเอกะโสกในปัจจุบันซะท่านผู้พนทุกข์ใ น, จจ น, ในวัฏรสงสารใี่ไ ถ้าไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยท่าน พ, พิจารณากายลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักวาา่ากายพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักวา่าเวทนาพิจารณาจิตลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักวา่าจิตพิจารณาธรรมลงสู่อนัตตาธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมท่านผู้สร้างบารมีแจ่กล้ามาแล้ว ท่านกไปทางรัทเลยอดีตคืออะไรคือผู้ลู่ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้ลู่ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู่ที่กําลังเป็นอยู่เป็นแต่ศักว่าลู่เท่านั้นไม่สําคัญว่าผู้ลู่เป็นตนไม่สําคัญตนเป็นผู้ลู่พรอบครับลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตพรอบครับลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตพรอบกรับลมหายใจเข้าออกไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันพรอบกรับลมหายใจเข้าออก ก็ทำลายอุปาทานแตกกระจึงอวิทาตัญหาอุปาทานสังขารวิญญาณนามรูปอาญาณะัตตาอะไรต่ออะไรแตกกระจึงไปหมดเพราะไม่มีอุปาทานใดๆเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีท่านผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วบางท่านก็บอกว่า ดิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาเลยเวทนาทุกข้ามไม่ได้แล้วปู่จะว่ายังไงโอ้ถ้าสาคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สาคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาอยู่ในตัวภาวนาข้ามกายไม่ได้ ถ้าสำคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายมันก็ข้ามกายไม่ได้เหมือนกันถ้าสำคัญว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นศูนมันก็ข้ามศูนย์ไม่ได้เหมือนกันถ้าสำคัญว่าอาดีตเป็นตนจนเป็นอดีตก็ข้ามอาดีตไม่ได้อีกถ้กกาสำคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตก็ข้ามอนาคตไม่ได้อีกโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันพระอรหันต์ท่านข้ามไปแล้ว เพราะท่านมายืนยันว่าติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยท่านรู้ตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั้นมันก็สลายไปเองไม่ได้ทําท่า ท, ทําทางวางมันบางท่านบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางอันนั้นเป็นสมมุติถ้ารู้ตามเป็นจริงมันปล่อยมันเองมันวางมันเองเช่นเราลืมตาขึ้น มันปล่อยวางเมื่อเองเราไม่ทํากิริยาวางมันเหนื่อยแล้วหรือยังเอาไหมขนาดนี้เหนื่อยแล้วหรือยังเอาไหมขนาดนี้